มีใครไม่เคยมาไหมเช่ ย, ยกมือให้หลวงพ่อดูนะ ม, มาจากไหนกันล่ะืเคยฝึกแบบไหนเคยฝึกอะไรมาเราเอามาไกลอีสานนะครูบาอาจารย์เยอะแยะนะคนอีสานมีบุญนะอืความรู้ที่หลวงพ่ อ, อามาสอนนะ <c oughs> ก็เอามาจากอีสานนั่นแหละครูบาอาจารย์ส่วนมากอยู่อีสาน มีอยู่ทางเหนือบ้างโลปูสิมอะไรเงี้ท่านก็คนอีสานคนอีสานชีวิตลำบากงั้นเวลาท่านภาวนาแล้วเด็ดเดียวพวกเราสบายนะก็ภาวนายอ่อๆใหญ่ๆนะเด็กรุ่นหลังๆนะต้องใจแข็งกว่านี้นะเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูคนรุ่นหลังๆนะมันใจเสาะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยสู้มันรักสบายมากไป ถารักสบายก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดนะต้องต้องไม่กลัวลําบากอย่ยว่าจะโยมเลยพระรุ่นหลังๆนะใจศ่อหลวงพ่อเปรย์ๆบอกว่าโอ้สบายไปไม่ดีน่าเสียเลยกลัวเราใช้ให้ไปเดินลําบากในป่าในเขาหลวงพ่อตอนไปเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นหลวงพ่อมก็ไม่ลําบากเท่าไหร่แล้วนี่ไปกับพี่วัยนี้ ส่วนมากไปด้วยกันบ่อยเมื่อก่อนก็มีฉายาว่าธรรมสารถีมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับพาคนนู้นคนนี้ไปวัดวันนี้เลยบุญส่งมาอยู่ข้างวัดมาพร้อมกันยังยังงั้นหลวงพ่อตรวจกันบ้านกันอ่ะค่ะมาอยู่วัดก็ได้ ดูกายดูใจต่อเนื่องเดียวค่ะหลวงพ่อแล้วบางทีสติมันแบบแล้วมันก็รู้บางทีมันยังไม่รู้ว่ารู้อะไรอะค่ะรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรก็ใช้ได้แล้วเราบางทีเหมือนมันออกไปนอกนอกนอกอะค่ะแล้วมันก็จะหมดแรงงั้นมันไม่ตั้งมั่น่ะ้ะที่หลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นให้รู้เอานะรู้พอจิตมันมีแรงขึ้นมันก็ทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่น แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาหลวงพ่อพูดว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราจิตมันจะสถานนะคะเหมือนทุกจี้ใจดําำ ม, มันกลัวมันรักตัวเองมันกลัวว่าตัวเราหายไปนี่อาศัยฟังธรรมนะบางคนฟังแล้วหลุดพ้นในขณะฟังก็มีแต่ว่าอินทรีย์ต้องแก่รอบพอและอินทรีย์ไม่แก่กล้าฟังก็ไม่หลุดพ้นหรอกนี่พวกเราสะสมไปด้วยน ะ, จะเจริญสติไปจเจริญสติไปบางครั้งเนี่ยฟังธรรม ถูกธรรมสะสกิดทีเดียวหลุดเลยก็มีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีงั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอาริยมรรคจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หนะ้าที่เราจเจริญสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเว้นวักถ้าเว้นวักแหมมันแก่รอบตอนนี้ควรจะบรรลุแล้วพอดีเว้นวักพอดีไม่ได้นะ <c oughs> น่นสะสมแรงขึ้นมาอีกเป็นปีเลยงั้นต้องอดทนนะเพื่อความพ้นทุกข์ของเราเองมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลย ที่ทุกเราทุกพวกเราทุกคนนอนดิ้นรนอยู่ในทุกวันนี้เราก็อยากได้ความสุขดิ้นทนํานอนทํานี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเลงมือปฏิบัติทำนะอดทนหน่อยอดทนไปนะเราได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งกว่าดิ้นรนอย่างอื่นๆอีกดิ้นรนในในโลกมันได้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวดิ้นรนในทางธรรมเนี่ยพอเข้าถึงธรรมแล้วมันมีความสุขจริงๆนะมันถาวรมีจิตใจมันตั้งมั่นอิ่มเอิบเบิกบานมันรู้แล้วว่า ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรมันไม่นึกตำหนิตัวเองได้ไม้นุ่มรู้สึกไห ม, มเรายังอยู่ในขั้นที่นึกตำหนิตัวเองได้เจ้าค่ะเราอย่ามวัวแต่ตำหนิเสียเวลาให้เราจเจริญสติมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งเราจะไม่ตำหนิตัวเองเราจะรู้เลยตัวเราเองหรือคนอื่นก็ตามนี่มีกรรมเป็นของตนทุกคนต้องรับผลกรรมของตนเองไม่ใช่คนอื่นทากรรมให้เรานะคนอื่นอาจจะมายั่วยวนะ ทำให้เราทํากรรมแต่ว่าคนที่ทํากรรมนะตัวเองจงใจทําะงั้นไม่ใช่ความผิดใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองแต่ละคนต้องรับผลในสิ่งที่ตัวเองทำํำต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนเราไม่ต้องไปกลุ่มใจแทนใครทั้งสิ้นทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนที่เดินคนเดียว เรียกว่าเอกายนามัคทางที่ไปครั้งเดียวทางที่ไปคนเดียวทางที่ไปครั้งเดียวก็หมายถึงว่าไปแล้วไม่ต้องไปอีกตัดแล้วตัดเลยทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้ น, นแปลได้หลายอย่างทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าทางที่มีอยู่ในศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธนี้น <c oughs> เอกายนามัคทางสายเอกสายเดียวนี้เดินคนเดียวด้วยเจ้าค่ะ <c oughs> ต้องสู้เอานะอย่าโมัวห่วงผว ง, งคนน้นคนนี้ต้องไปของเราเขามีหน้าที่ต้องไปของเขาเราก็มีหน้าที่ต้องไปของเราเคยเห็นเขาลอยกระทงไหมบางทีกระทงก็ลอยมาอยู่ด้วยกันบางทีก็แยกกันไปสุดท้ายกระทงก็หายไปหมดจากแม่น้ารู้สึกไหมไม่มีอะไรเหลือหรอกทุกสิ่งทุกอย่างก็ไหลไปตามกระแสของมันเรื่อยๆงั้นอย่ามัวแต่ไปกังวลใจอะไรนะอยู่กับปัจจุบันเอาตัวให้รอดให้ได้ ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออา้าวภูมินี่หลานดังตีนดังตีนหายไปไหนมูนนี้ไม่ค่อยเจอภูมิก็ไม่เห็นเหมือนกันครับแลนะ <c oughs> ส่งขันบ้านเมื่อคืนนี้ดูจิตไปครับมันขนาดนี้ตัวปลอมภูมิดูออกไหมแจ้งทําให้ดูนุ่มนวลไม่ใช่ตัวจริงของภูมิแล้วดูออกเปล่าไม่ไม่ค่อยออกครับหลวงพ่อรู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนิดหน่อย ครับนิ่งครับเ อ, อปล่อยสิเอาความเป็นลิงออกมาโอไม่ยอมออกเอาเอายังไม่ออกก็ไม่ออกแต่แต่คือมันก็ฟุ้งซ่านนะครับหลวงพอ่อฟุ้งซ่านไม่เป็นไรนะคือตอนนี้โดยไหวของเราเนี่ยมันต้องฟุ้งซ่านบ้างเลือดลมมันร้อนแรงธรรมดาอยู่ที่ว่ารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะอย่ามีเมียโดยบังเอิญ น, นะ <laughs> ยามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเลยจะได้สบายอ่ะประคองอยู่คะ่ะย<ม>ังประคองอยู่คะ่ะประคองนิดหน่อยน ะ, ะช่วงนี้จิตของแก้วมีแรงขึ้นละรู้สึกไหมมันมีกําลังมากกว่าแต่ก่อนแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าแต่ก่อนรู้สึกไหมแต่ก่อนไม่เชื่อมั่นในตัวเองแม้ธรรมะทำให้แก้วเปลี่ยนไปเยอะเลยรู้สึกไหม แล้วก็เราสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกอยู่ได้เรื่อยๆดีแล้วนะไปเดินต่อไปอีกอ่ะคนนี้ถามนึกรู้สึกกายภูมิใจออกไหมใจขณะดนี้เป็นไงเนอะมันดิ้นถูกต้องนะรู้เป็นแล้วเวลารู้อย่าถลํมลงไปรู้รู้ห่างๆรู้สบายๆอย่ากระโจนลงไปรู้ ดูเหมือนเราดูฟุตบอลดูอยู่บนอัศจรรย์นนะไม่กระโจนลงไปในสนามดูอย่างตะเกียบโดดลงสนามเนี่ยเมื่อกี้จะลงสนามแล้วงานหลวงพ่อเจ้าค่ะจะมากราบขอหลวงพ่อช่วยชีแนะด้วยจ้าค่ะหลวงพ่อชีเรื่อยๆเลยชีย้มาแต่เช้าแล้วได้ไรมั่งอะ่ะตื่นเต้นอยู่เจ้เาค่ะยังตื่นเต้นอีกนะหัดดูใจไปนะอายุเราเยอะขึ้นแล้วเราต้องรู้กายด้วยดูใจอย่างเดียวไม่ไหว พอคนพออายุมากขึ้นเนี่ยนะเวลานั่งเฉยๆมันจะเริ่มซึมงนั้นถ้ามันซึมนะเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างตอนนี้ยใจนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมไปทําใจให้นิ่งอย่าไปทามันเช้าตื่นเช้ามากเลยเั้าค่ะ <c oughs> ตื่นเช้ากี่โมงโอเมื่อคืนไม่ได้หลับตั้งคืนเลยเจ้าค่ะเปคู่<ะ>แข่งหลวงพ่อเมื่อคืนกว่าจะนอนตนะั้งตีหนึ่ง ตีสามก็ 3, ตื่นแล้วไม่รู้จะตื่นมาทําไมแล้วไงอีกนี่ตั้งใจมาะกาศหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยชี้แนะทน่านสังเกตใจเรานะการภาวนาไม่ยากหรอกการภาวนาก็คือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนีย่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหม ใจเคลื่อนไหวไปคิดเรารู้ว่าใจมันเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันไปอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันคอยไหลแวบบแวบบแวบบเป็นระยะระยะมันไหลได้เองดูออกไหมดูไปนะเราเห็นนะจิตมันทำงานเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนะี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเออนะดูอย่างนี้นะไม่ใช่ดูเพื่อให้มันนิ่งการปฏิบัติมีสองอย่างสมถะกับวิปัสสนา สมาธานะจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบทําให้นิ่งๆมีปัจจัยนาไม่ทําให้นิ่งกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็น ง, งั้นมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยง <c oughs> มันเคลื่อนไหวเ ป, ปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วมันก็บังคับไม่ได้ <c oughs> ดูออกไหมจิตเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดดูตัวนี้เป็นแล้วดูไปเรื่อยๆ อ่ะต่อไปยกมืออ่ะคุณอุตสาเชิญตอนนี้ก็เขาก็รู้การู้ใจไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่มีอะไรตดก็เดีนะรู้สึกไหมมันไม่ค่อยพูดอะไรละเจ้าค่ะนะมันเริ่มเงียบๆแล้วเจ้าค่ะรู้จักเช่้วคุณนอไหมเขยได้ยินไหมเจ้าค่ะคุณนอสอกบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงรค่ะเริ่มเห็นของที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดละเจ้าค่ะรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกเห็นเขาทํางาน เห็นไปเรื่อยๆนะใจเป็นกลางเลย <C> e <an> ดีทําไปหน้าเดี๋ยววันหนึ่งจะพ้นทุกข์ละคุณน้องอาสวนหน่อยกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้มันโล่งๆมีโมหะจิตมีโมหะนะโล่งๆตัวนี้ไม่ใช่โล่งธรรมดาโ <C> e <an> ล่งตัวนี้เป็นน้อมไปโล่งใจยังเคลื่อนออกไปรู้สึกไหมเป็นโล่งอยู่ข้างนอก ดูออกไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อนะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นจะได้พาดูมุมอื่นยังไม่เห็นค่ะออสารภาพมาก็หลวงพ่อบอกแล้วยังงงๆใจเราเนี่ยตอนนี้มันเจ้าออกไปข้างนอกค่ะรู้สึกไหมมันไม่ทวนเข้ามาที่กายที่ใจรู้สึกไหมลองย้อนมาดูใจตัวเองสิรู้สึกไหมมันเข้ามาไม่ถึง ใช่ไม่ถึงเออนะใจมันไม่ถึงใจมันไม่ถึงเพราะใจมันไม่ตั้งมั่นวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นมีสองวิธีหนึ่งทาฌานจนถึงฌานที่สองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาทำไมต้องฌานที่สองเพราะฌานที่สองนั้นหมดวิตกวิจาร์ไม่ตรึกไม่ตรองนะค่ะไม่จงใจที่จะรู้เพั้นตัวรู้นี่มันจะเด่นขึ้นมาจะถึงฐานจริงๆเลยเรียกว่าเอกโกทิภาวะ อีกวิธีหนึ่งถ้าเราทำฌานไม่ได้ให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งจิตไม่ถึงฐานดูออกไหมไม่ถึงฐานมันไม่เข้ามาค่ะดูออกค่ะนะแค่รู้ว่ามันไม่เข้ามาถ้าจิตไม่ถึงฐานนี่จะมีข้อเสียก็คือจิตนี่ไม่ทรงสัมมาสมาธิที่แท้จริงพอจิตไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจะไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ที่แท้จริงได้เราจะเห็นสิ่งภายนอกเป็นไตรลักษณ์ แต่มันไม่ทวนเข้ามาให้เห็นกายเห็นใจของตัวเองเป็นไตรลักษณ์มันจะไม่ทวนเข้ามาเรียนรู้ตัวเองจะเห็นแต่ของข้างนอกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้นิ่งจะเหลือตัวห น, นึ่งนิ่งๆิ่งคงที่อยู่ถ้ายังเหลือตัวหนึ่งนิ่งสงวนรักษ า, าไว้อยู่ยังมีการเพ่งอยู่ยังไม่ใช่ของที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแท้ๆให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเมื่อจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยปัญญามันจะเกิด พระพิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตมีสติคุณน้องมีสติสติคุณน้องดีเฉละสภาวะใดๆเกิดขึ้นรู้ไปได้เรื่อยๆรู้ทันสภาวะเรียกมีสติขาดตัวหนึ่งก็คือตัวสมาธิถ้าสมาธินี่จิตไม่ตั้งมั่นพอนะถึงสติไปะระลึกรู้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มาะระลึกรู้ตัวเองที่แท้จริง มันจะเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์โยวเว้นจิตของเราเองมันจะไม่ย้อนมาดูมันไปนสงวนรักษาตัวหนึ่งให้เที่ยงอยู่ <คะ S 1> ไปสงวนรักษาตัวหนึ่งให้มีความสุขอยู่ไปสงวนรักษาตัวหนึ่งเอาไว้ได้เหมือนอยู่ในอำนาจมันจะนิ่งนิ่งว่างว่างรู้สึกอยู่อย่างนี้ได้ตลอดวันตลอดคืนเลยแล้วก็เลือกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่ความจริงไม่ใช่เรายังไปประครับประคองความนิ่งความว่างเอาไว้แล้วก็ใจที่ไม่ถึงฐานเนี่ยจะทําให้ไม่เห็นไตรลักษณ์ ากลับเรียนถามหลวงพ่อคือตรงนี้สงสัยอยู่นะคะว่าตอนนี้ทำในรูปแบบน้อยมากเพราะว่าทราบว่าตัวเองนะไปไปติดรักษานั้นไว้ก็เลยไม่ทำในรูปแบบแต่ว่าก็กลายเป็นว่าสมาธิการทำในรูปแบบมีประโยชน์นะทำให้ใจตั้งมั่นได้มากขึ้นแต่มันล่อแหลมต่อการเพ่งค่ะเพรนั้นเราใช้วิธีนี้เราทำในรูปแบบแต่ทาแบบสบายสบาย พอจิตน้อมไปสู่การเพ่งให้รู้ทันแล้วเราหยุดเสีชั่วคราวนะ <Okay. S 1> พอมันคลายออกจากการเพ่งแล้วเนี่ยเราก็มาทำในรูปแบบต่อรูปแบบที่เหมาะก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะ <Okay. S 1> ลพังดูจิตไม่ไหวมันจะเบล่ง่ายมันจะหลงได้ง่ายมันจะหมดแรงพ <Okay. S 1> นะยายามเอาร่างกายมาช่วยนั่นคครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะให้เดินจงกรมเยอะ นี่ถ้าเราเดินจนเมื่อยเราก็มาขยับไม้ขยับมือนะรู้สึกเล่นๆแต่พอใจเราเอาจริงขึ้นมาให้รู้ทันว่าเอาจริงนะรู้ทันเราหยุดสะ ก, ก่อนเลิกส ก, ก่อนพอมันคลายออกแล้วค่อยทำใหม่นะ<ไ>ต่มันจะได้ตั้งมั่นขึ้นม า, าไปชาวเชียงใหม่แกรบน้ำมัสกาค่ะเดี๋ยววันนี้นะขอตรวจกันบ้านชาวเชียงใหมนะ่หน่อยมาหลายวันแล้วจากที่เมื่อ า, านงี้เอางี้วันนี้พอนา a ีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหม ภาว น, ะนาดีแล้วนะพาวนาได้ถูกแล้ว <c oughs> รู้สึกไปอีก <c oughs> แต่ตอนนี้ที่ตั้งอยู่นี่ตั้งแรงไปรู้สึกไหม <c oughs> ตั้งตั้งจนม็นนิ่งเกินไปให้คลายออกหน่อยรู้สบายๆจงใจคลายแล้วจงใจคลายแล้วรู้สึกไหมก็ <c oughs> ไม่เอาสิให้รู้ทันนะไม่ใช่ให้ไปบังคับมันไม่ต้องไปแก้ไขให้รู้ทันจิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหม ขณะนี้มีความเบิกบานผุดขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั้นมันเบิกบานโดยตัวของมันเองเ น, นี่ยรู้สึกไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่อย่าประคองเอาไว้มีก็มีไม่แน่ๆเนะี่ยเข้าไปสังเกตไม่สังเกตด้วยนะจงใจไปสังเกตก็คือการกระทํากรรมอีกอันนึงขึ้นมาแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะความรู้สึกใดเด่นชัดก็ค่อยรู้เนี่ยเข้าไปสังเกตอีกละคแล้ะ ตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้นจะนําไปสู่การเพ่งพออยากรู้ให้ชัดจงใ จ, จรู้ให้ชัดก็กลายเป็นเพ่งไปเชิญเชิญชาวเชียงใหม่นี่ชาวกรุงเทพแล้วไอ้ชาวบึงชนเอาไว้ก่อนอยู่ใกล้ให้คนไกลกลับนวัตกรรมครับหลวงพออ่อก็รู้สึกจะดีกว่าเมื่อวานนิดนึ่งดีกว่าเมื่อวานนะครับคุณผู้หญิงนี่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน เห็นไหมใจที่มันอยู่กับธรรมะนะมันมีความสุขนะรอบนี้ภาวนาดีขึ้นทุกคนเลยทีมเชียงใหม่พิสการองพ่อค่ะก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายอย่างที่หลวงพ่อแนะนำเมื่อวานนี้รู้สึกว่ามันมีแรงมีแรงขึ้นค่ะแล้วก็จิตไม่ค่อยตกภวังบ่อยอ่ะดีนะอายุเยอะแล้วต้องกระดุกกระดิกไว้อย่าอยู่นิ่งเอาไปคุณเบนตอนตอนนี้มันเหมือนเหมือนมันจ้อง จิตมันมีโมหะนะมันมันถูกโมหะครอบไปมันจะซึม <Okay. S 2> ซึมแล้วเราก็ไปฝืนฝืนมัน <Okay. S 2> อย่าฝืนสิ <Okay. S 2> แค่รู้นะมันจะซึมก็ให้มันซึมไปเราดูมันซึมเหมือนรู้ดูคนอื่นซึมไป <Okay. S 2> นะรู้ด้วยความเป็นกลางรู้เล่นๆไปเลวยพอน่าดีนะพอนาดีขึ้นทีมเชียงใหม่ในะรอบนี้ฟุ้งซ่านน้อยลงไปเยอะเลยนะ <c oughs> อย่าดิ้นรนอย่าค้นคว้าอย่าสแสวงหามากนะ อย่าไปหาทางลัดไม่มีทางลัดมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแลถ้าเราคิดว่ามีทางลัดมากกว่านี้โลภามันนําหน้าไปมันจะดิ้นรนต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีมันมีคําว่าทำเกิดขึ้นโลภามันนําขึ้นมาแล้วก็เกิดการกระทำํำตัณหามันทําให้เกิดการสร้างภพขึ้นมาภพคือการทํางานของใจนั่นเองเรียกว่ากรรมภพเอาคุณดาเกลงหมูนี้เข้าฌานได้ไหม อันนี้เอเมื่อคืนนี้เข้ามันมันตอนมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันมันบางทีมันเบอรเบอร์ะมันเบอร์เบอร์ยังชํานาญอยู่ไหมนะฮะยังชํานาญอยู่ไหมครับยังมีวัสีชํานาญอยู่ไหมยังยังใช้ได้ครับเพราะชานะถ้าลาทิ้งก็จะไม่ชํานาญครับมันเสื่อมก็ส่วนมากก็จะเข้าอยู่เรื่อยทุกวันครับส่วนมากบางทีมันมันปุ๊บเดียมก็เข้าไปถึงชานสามแล้วอะอย่างงี้ยครับดีแล้วรูปแต่ว่านานนานสักทีกว่าที่จะ เข้าไปจนถึงลมหยุดนะมันก็มีแต่ส่วนมากจะอยู่แค่ชั้นสามนะพอแค่นั้นก็พอได้แค่นั้นเราก็ถอยออกมาเพราะจิตมันถอนนะมีสติตามรู้กายเลยนะตามรู้กายไปแล้วจิตเคลื่อนไปค่อยรู้สึกเอาเอากายเป็นฐานเลยพอเราทรงฌานอยู่นะพอถอยออกมาเนี่ยรู้รู้กายไปถ้ารู้จิตเนี้ยจิตจะนิ่งเกินไปคือจะรู้อย่างนี้ได้ไหมครับว่าเวลาที่ถอยออกมาเนี่ยองค์ของฌานมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะดู โดยตรงนั้นหน่ลยดีที่สุดเลยครับเราเห็นองค์ฌานนั้นเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนะถอนออกมาเป็นลําดับลําดับดีใช่ได้คือจะเห็นเขาสลายไปต่อหน้าต่อตาถ้าอย่างนั้นดีถ้าอย่างนั้นดูจิตต่อครับถ้าสามารถเห็นองค์ฌานสลายตัวไปเนี่ยถอยๆอยออกมาจนมาสู่ในกามาวจรภูมินี้แล้วเห็นจิตมันทํางานต่ออย่างนี้ทําได้และบางทีก็พอถอยออกมาสู่กามาวัจรภูมิแล้วก็เข้าไปอีกเข้าอีกก็ได้ จิตมันเข้าไปก็รู้ว่าเข้าไปจิตมันถอยออกมาก็รู้ว่าถอยออกมานะครับอย่างนั้นได้ทีนี้มันยังมีไอ้ไอ้ข้อที่ต้องแก้ไขต้องไอ้ชีวิตประจําวันนะครับสติที่ต้องต้องเดินให้มากขึ้นรู้สึกอย่างต้องใช้ร่างกายใช่กายใช่ไหมครับใช่ครับเอากายมาช่วยนะเพราะบางทีดูจิตเนี่ยมันหลุดครับไม่ไม่ไหวคือโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราเสื่อมโทรมลงล้ครับจิตมันจะเบลอเลง่ายครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กายไว้ ดูกายดีกว่านะฮะดูกายดีกว่าพระอนนนะอายุแปดสิบปีวันที่ก่อนจะสังขยาหนึ่งวันคืนนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกบอกพระอนนท์ยังราตรีให้ล่วงไปด้วยกายเป็นส่วนมากครับดูกายเป็นส่วนมากนะไม่ใช่ว่าต้องไปรู้จิตหรอกครับเราะฉะนั้นท่านก็เคลื่อนไหวไปแล้วก็ดูกายคงไม่เดินทั้งคืนหรอกคนอายุขนาดนั้นนะ <laughs> ใช่ครับท่านก็ต้องนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างอะไร เ, เนี่ยของท่านไป แล้วก็บอกว่ายังราตรีให้ล่วงไปด้วยกายเพียนส่วนมากแล้วส่วนน้อยละหายไปไหนส่วนน้อยก็ทรงฌานสิทรงฌานเห็น ไ, ไหมจิตก็เข้า พ, พักพักแล้วไม่นิ่งนอนไม่นิ่งนอนใจอยู่นานมันถอยออกมาเองถอยออกมาท่านดูกายต่อเลยแต่อย่างกระผมพอดูกายแล้วนะฮะอย่างชีวิตประจําวันเนี่ยถอยออกมาแล้วดูกายปั๊บเนี่ยมันมันก็เกิดเป็นสมาธิเองเลยเวลาดูกายอย่าเพ่งกายกันแล้วกันครับมันช่วยช่วยมันคิดนิดหน่อย ดูกายนีมันไม่ใช่ตัวเราช่วยมันนิดนึง น, นำให้มันนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะวกเข้าไปที่จิตอีกบางทีมันก็รู้สึกเอ๊นี่เพ่งมากไปแล้วน ะ, ะนถ้าถ้าเพ่งมากเยต้องถอยออกมาวกกลับเข้าสมาธิไปอีกพยายามรู้สึกอยู่ที่กายเห็นกายทำงานไปเรื่อยถ้าไม่งั้นสติจะอ่อนไปน <ะ S 1> แต่ใจมันก็รู้ได้บ้างฮะแต่ว่ามันมันไม่ไม่ค่อยบ่อยเวลาจะดูจิตตงไปดูอยู่ในฌาน ไปดูอยู่ในชานถ้าดูในชานนานดูได้ก้าอยู่ข้างนอกดูไกายกายเป็นฐานนะเอาต่อไปชวนยกมือเอาอาจารย์พรทิพย์โอ้ไม่ต้องไม่ต้องนั่งอาจารย์นี่ครูที่รักของหลวงพ่อเลยตอนหลวงพ่อเรียนมัธยมอาจารย์พรทิพย์เนี่ไปตั้งชมรมฝึกการพูดให้ลูกศิษย์ไปหัดพูดต่อหน้าคนนะ จับไมทีแรกก็สั่นเหมือนโยมอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้จับแล้วเฉยๆ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เป็นคนที่ช่วยเตรียมให้หลวงพ่อมาทำงานวันนี้นะมีส่วนเตรียมให้หลวงพ่อมาทำงานได้สะดวกขึ้นอนาะจารย์นั่งเก้าอี้จาร์เอาร้อยย่สิบสีหนริการหลวงพ่อเข้า ค, ความจริงเคยมากราบหลวงพ่อที่เมืองกาญจานบุรีนะคะ สครั้งแล้วแล้วก็มาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่อ2อะพยายาม <Okay. S 2> ฟังซีดีเยอะๆนะ <Okay. S 2> แล้วสังเกตใจเยอะๆอย่าดัดแปลงจิตปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติจิตของโยมยังไม่เป็นธรรมชาตินะปล่อยมันปล่อยปล่อยให้เป็นธรรมดาที่สุดเลยกลับมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาดีที่สุดรู้สึกไหมขณะ น, นี้จิตหนีไปคิดละ สะดวกไหมจิตมันไหลไปคิดให้เรารู้ทันไหลไปคิดตามที่ ท, ท่านใช่เพราะงั้นเวลาฟังคุยกับตามา น, นี่รู้สึกไหมบางทีมามองหน้าตามา น, นี่ไม่ใช่มองอย่างเดียวนี่เริ่มเพ่งแล้ว <c oughs> เพราะกลัวจิตจะไหลไปคิดเราไม่ห้ามมันนะจิตมันไปฟังก็รู้ว่าไปฟังจิตมันไปคิดก็รู้ว่าไปคิดให้คอยรู้มันไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างตอนเนี้ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมแค่รู้ okay. นะ Kumar, ร, รู้เล่นๆไปเลยแต่ต้องไม่จงใจมากนะต้องรู้สบายๆใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะเรารู้ไปสบายๆยันไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบว่าแป่งยังไงไม่ทราบยมรู้สึก่หงจิตใจเราขณะนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงนิ่งกว่าธรรมดารู้สึกไหมนึกนึกถึงตอนที่ยังภาวนาไม่เป็นออกไมจิตใจตอนที่ยังภาวนาไม่เป็น จิตใจจะดิ้นไปดิ้นมากระโดดโลดเต้นเป็นอิสระมากเลยพอเรามาเริ่มภาวานาเราก็บังคับใจิตใจให้มันนิ่งๆเลิกบังคับมันอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้ว ร, รู้เล่นๆไปขอบคุณค่ะอาจารย์พรทิพย์ทรงกันบ้านหน่อยหายไปนานสีชายป่ะโอ้แก่ไปเยอะเลยจำไม่ได้นี่รุ่นหลังหลวงพ่อปิ๋อาจารย์ว่างอาจารย์ตอนนี้ก็ พยายามที่จะปฏิบัติอยู่จ้ะค่ะอาจารย์ฟังซีดีบ้างเปล่าไม่ได้ฟังเลยแต่อ่านหนังสือจ้ะอ่านหนังสือของท่านฟังซีดีบ้างนะฟังแล้วมันจะภาวนาง่ายแต่อไปนี้จะไปฟังเขอฟังแล้วใจเราไหลแวบเรารู้สึกไหลแวบรู้สึกแต่ยังเวลาเราอ่านหนังสือมันต้องคอนเซนเทรตมากจดจ่อมากใช่ไหมมันไม่ได้ฝึกปฏิบัติแต่เวลาเราฟังซีดีนี่เราฝึกปฏิบัติควบไปได้ อย่างฟังฟังแล้วตอนนี้ขำขึ้นมารู้ว่าขำตอนนี้ฟังแล้วงงรู้ว่างงตอนนี้ฟังแล้วก็ใจลอยหนีไปที่อื่นรู้ว่าใจลอยต้องผลัดกันนะเมื่อก่อนอาตมาฟังอาจารย์นะ <c oughs> ต้องผลัดกันบ้างนะ <c oughs> ให้อาตมาได้แทนขุนบ้าง <c oughs> อ้าวสีชายครับกราบนวัต ก, การครับอพอดีก็พาอาจารย์มาครับดีแ ล, ะละ้วอาศัยใบบุญอาจารย์มาพบ อ่าหลวงพ่อด้วยนะครับเหรอครับพวกนี้ต้องมาอีกรอบฮะเพราะว่าเพื่อนผมเข้าใจผิดว่าวันวันนี้ทอดกระถิืนบอกให้ผมมาก่อนล่วงหน้าเหรอนะครับพวกนี้จะพากันมาอีกหลายๆคนครับควรจะมาวันเนี้ยเพราะวันนี้ได้ฟังทำเวลามีพิธีกรรมนะหลวงพ่อไม่ค่อยชอบหรอกเสียเวลาแต่ว่าโลกเขาจะทอดก็ทอดกับเขานะอนุลลมไปเท่านนั้ไหร่งั้นถ้าวันไหนที่ไม่ได้มีงานที่วัดอะ พยายามมาฟังกันจะพยายามมาครับฟังนะแล้ววันหนึ่งจะพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงช่วงหลังๆคนที่ฟังซีดีแผ่นหลังๆเนี่ยจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอันหนึง่งคนที่ถามธรรมะนะ่ะประณี่ลึกซึ้งเป็นลําดับลําดับไปนะถามจนน่ากลัวนะขนาดพระนะมาฟังหรือพระไปฟังซีดีมาสารภาพกับหลวงพ่อเลยเว่าสั่นเลยบางเคทียโยมส่งกันบ้านกันทำไมมันน่ากลัวตรงไหนเพราะว่าเราเอาสภาวะมาเล่ากนะับ แต่และคนส่งกันบ้านนั้นเล่าสภาวะที่ตัวเองประสบมามันแสดงพัฒนาการนะถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยว่าสิ่งที่ส่งกันบ้านนั้นละเอียดประณีตแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆใกล้ความบริสุทธิ์หลุดพ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างแต่เดิมคนจะมาถามสเปซ ส, สปาเยอะ mm hmm. ตอนหลังๆจะเป็นเรื่องสภาวะที่น่าฟังมากเลย เนี่ยเราฟังซีดีไปนะแล้วใจเราเกิดอิดชาขึ้นมาให้รู้ว่าอิดชานแต่ก่อนฟังแล้วมีความสุขมากนะหลังๆเนี่ยฟังแล้วช้าอิดชา้าลนะดาวอิดชาเยอะถ้าตายไปในขณะอิดชา้าจะตกนรกจำไว้นะถ้าจิตขณะนั้นมีโทสะเอาต่อไปเชิญใครยกมือเบอร์61ยกไวมากมาสการเจ้าค่หลวงพ่อ เพราะว่าตั้งแต่หลวงพ่อให้ไปดูจิตใจนะคะอพอเห็นไหมจิตไม่เหมือนเดิมพอพอก็ พ, อ, พ, อ, พอกลับไปนะครับมันเกิดปิติอยู่ตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วพอตกกลางคืนตอนตีสามอฉันรู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นทั้ทงทั้งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วฉันก็เห็นอะไรมันแปลกแปลกที่มันจะต้องทางที่มันต้องไปคนเดียวแล้วสงสัยอะไรก็ไม่ไม่ได้ Mm hmm. มีเพื่อนก็ไม่ได้ให้ mm hmm. hey. แล้วแล้วแล้วก็ <laughs> เกิดความรู้สึกว่าอา้าวหลว ง, งพ่อทางนี้มันมันมันไปได้เร็วอย่างนี้เหรอคะหลวงพ่อเร็ว <Real. S 2> แล้วมันก็ร่วงเลยนะคะหลวงพ่อ mm hmm. <laughs> แต่แต่แต่ฉันก็ไม่ได้ไม่ได้ท้อถอยนะคะ mm hmm. ยังตั้งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะนับหนึ่งใหม่เสมอค่ะหลวงพ่อจิตของโยมเนี่ยนะมันตั้งมั่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วขณะนี้นะน้อยคนนะที่จะทําได้แล้วแล้วมันก็อีกคือหนึ่งพอตีสามมันก็ตั้งมั่นอีกพอมันตั้งมั่นทีนี้จังหวะแฟนเขาหายใจแรงมันมันมันมันก็เลยล้มอีกนะคะหลวงพ่อ เราดูอย่างนี้นะเห็นไหมเวลามันตั้งมันก็ตั้งเองเวลามันล้มมันก็ล้มของมันเองแต่แต่ใจไม่ไม่เคยท้อถอยนะคะหลวงพ่อเราไม่ได้ฝึกเอาตั้งมั่นนะฟังดีแล้วก็ค่ะเราไม่ได้ฝึกออกความตั้งมั่นมันตั้งขึ้นชั่วขณะแล้วมันก็ล้มไปเดี๋ยวมันก็ตั้งแล้วมันก็ล้มนะแล้วแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเฉยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่เราภาวนานะเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แล้วพอต่อจากนั้นนะ่ะมันคงจะมีจิตย อ, อ, อยากรู้มั้งคะลุงพ่ออยากรู้อยากเห็นมันเลยเครียดนะคะแล้วทีนี้พอมันเครียดแล้วฉันก็ไปหาอะไรทำทำงานบ้านถูบ้านล้างจานแล้วเสร็จแล้วก็ฝานรู้สึกว่าธรรมะของลุงพ่อนี่มันต้องไม่พยายามอะไรเลยอะคะ่ะ แต่่ไมีีเกยพอพ อ, พอไม่พยายามเลยมันก็เห็นสภาวะที่ไม่เคยรู้เคยเห็นอีกมันมากมายแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อโอ้ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อนะฉันคงตายไปเปล่าแล้วทั้งทที่ททปรารถนาอันนี้แล้วทีนี้ก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยขยายฟาร์มว่าการไม่พักแล้วไม่ไม่เพียนให้ชัดเจนสักหน่อยสักหน พักเนี่ยนะก็คือขี้เกียจขี้คล้านปล่อยตัวปล่อยใจตามโลกไปความเพียรเนี่ยมันเกิดจากความโลภ ก, ก่อนอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานเลยเสร็จแล้วก็เกิดความดิ้นรนในใจเราพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดานะดิ้นรนส่วนมากก็จะนิดดิ้นรนบังคับตัวเองเท่านั้นแหละดิ้นรนบังคับกายบังคับใจจะให้มันเรียบร้อย นั้นตรงที่ทักอยู่กับเพียรอยู่เนี่ยเป็นความสุดส่งสองด้านอันนี้มันมาจากพระสูตรอันหนึ่งนะมีเทวดาองค์หนึ่งรู้สึกอย่าพระใจปีดกเล่ม16มั้งไม่รู้นะจำไม่ได้ถนัดลนานลน ะ, ะมีเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามพ่วงกิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุก อันนี้แกล้งชมเทวดานะให้กําลังใจความจริงเทวดามันก็ทุกนั่นแหละแต่ว่าเทวดาองค์นี้ท่านสําคัญตนว่าเป็นพระอริยะก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามได้ยังไงเลยในใจก็ฉันข้ามมาอีกแบบเนี้ยแลพระพุทธเจ้าบอกดูดู ก, ก่อนท่านผู้นิราทุกขเราข้ามโอคะได้โดยไม่พักอยู่และไม่เพียรอยู่เ<ถ>ทวดาฟังแล้วงงเลยไม่พักอยู่เนี่ยเทวดาเข้าใจ พักหมายถึงขี้เกียจขี้คลานไม่ภาวนาแต่พระพุทธเจ้าบอกท่านข้ามโอคาได้โดยไม่เพียรด้วยที่ประดังงงนะเราถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่พักไม่เพียรเป็นยังไงให้พระองค์ช่วยขยายความพระพุทธเจ้าก็ขยายความบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราข้ามโอคะได้โดยไม่พักและไม่เพียร ทเทวดาฟังเท่านี้ได้พระโสดาบันมีใครได้ยังฟังเหมือนเทวดาละนะได้มั่งไหมยังไม่ได้ไม่ได้ต้องขยายอีกนะเพื่อจะได้คําว่าพักอยู่เนี่ยหมายถึงการที่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะหมายถึงอะไรหมายถึงการมาสุขัาลิการนยิยโเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางโลกโลกเพลินไปในการดูในการฟังในการดมกลิ่นลิ้มรสในการสัมผัส ต, ต่างๆนะเพลินอยู่กับโลก นี่เรียกว่าพักอยู่แล้วจมลงเห็นไหมท่านบอกว่าถ้าพักอยู่เราจะจมลงก็คือถ้าเราหลงตามโลกตามกิเลสไปจิตใจเราจะตกต่ําลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็ลงถึงอบายชนได้แล้วก็เพียนแปลว่าอะไรเพียนหมายถึงการบังคับตัวเองผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อย น, ะนี่พูดแบบสุภาพนะผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเนี่ยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจ ยกตัวอย่างสมมติเราจะนั่งสมาธิเราจะต้องเริ่มด้วยการบังคับกายก่อน <c oughs> ต้องนั่งให้มันเท่เท่ <c oughs> เสร็จถัดจากนั้นบังคับใจเนี่ยนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะท่านบอกทำแล้วจะลอยขึ้นลอยไปไหนลอยไปพลุ่มบันโลภงั้นทาไปทำไ ป, ำไปก็ไปสร้างภพสร้างชาติขึอีกทางสายกลางนั้นนะไม่พักอยู่คือไม่หลงตามกิเลสไป ไม่เพียนคือไม่เอาแต่นั่งเพ่งตัวเองอย่างบางคนดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจนะัเรียกว่าเพียนอยู่นะเพียงอยู่แล้วสิ่งที่ได้ได้อะไรได้ความดนะีถ้าพักอยู่ได้ความชั่วทั้งดีและชั่วก็นาไปสู่ภพภูมิใหม่ภพความชั่วก็นาไปสู่อวัยภูมนะิภูมิที่ตกต่าความดีก็นาไปสู่สุขติภูมิไม่ได้นาไปสู่นิพพาน แต่เราทำชั่วไม่ได้นะถ้าทำชั่วเราจะไปอบายภูมิหน้าที่ของเราเดินในทางสายกลางทางสายกลางก็คือการมีสติรู้กายตามที่มันเป็นมีสติรู้จิตใจตามที่จิตใจเขาเป็นดูเข้าไปเรื่อยๆที่โยมทำอยู่ที่ผ่านมาใช้ได้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้รู้สึกไหม ตอนนี้ใจมันสั่นมันตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นไม่เป็นไรโยมไปบังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมอตอนนี้บังบังบังคับเลยค่ะอ่าบังคับบังคับใจแล้วตอบฉันเป็นคนนั่งสมาธิก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้สมาธิของโยมนะดีมากเลยแต่ว่าโยมสังเกตไหมใจของโยมไหลไปทางน้อนไหลไปทางนี้เรารู้ทันแล้วที่เดี๋ยวนี้นะฉันเริ่มรู้สึกว่า ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่ไม่มีผู้ทุกข์ครั อ, อ๋อนั่นแหละเริ่มเห็นของจริงแล้วค่ะแล้วก็เห็นกายที่นอนอยู่กระสับกระส่ายด้วยความทรมานมแต่ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็รู้สึกสมเพศเขาเหลือเกินอืมดีดูไปนะ ต้องได้ของดีแน่ๆเลยแล้วถ้าเผื่อว่าฉันเนี่ยเป็นคนทำสมาธิก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นแล้วก็ใช้อย่างการทำงานคล้ายๆก็ททำงานในชีวิตประจำวันแล้วคอยสังเกตเอาใช้ได้มาเจ้า<ด>คุณหลวงพ่ออย่างนี้แหละดีที่สุดเลยแล้วก็หลวงพ่อคิดว่าฉันปล่อยประละเลยไปไหมพ่อ ไ, ไม่ไม่<ะ>ไม่ปล่อยปละนะทาได้พอดีเลยเพราะว่า แต่ว่าตกรอนนี้นะก็ไม่ได้เคยรู้สึกสภาวะอย่างนี้เลยอะคะ่ะก็ตั้งแต่มาหาฟังหลวงพ่อเนี่ยมาประมาณเดือนหนึ่งบนนี้พอดีเลยอะคะ่ะแล้วก็นึกขอบคุณหลวงพ่ อ, หอแหลือก็แตหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่มันยังไงอะคือภาวนาก็ไม่เป็นเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ต้องหางานบ้านทะบางทีก็เก็บผักล้างจานแล้วก็ ซักผ้าถูบ้านแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปอะคะ่ะโอ้ดีที่สุดเลยอ๋อย่างอ ย, อย่างนี้ไม่ไม่ใช่เกียดครค้านใช่ไหมคะไม่ใช่คนเกียดคร้านก็คือขนาดนั่งสมาธินะแต่ใจเคลิ้ ม, มนี่แหละเรียกว่าเกียรติค้านเดินจงกรมแล้วก็ใจลอยไปนี่เรียกว่าเกียรติค้านของเรากระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนนะกวาดบ้านถูบ้า น, านเก็บผัก ทำกับข้าวอะไรเนี่ยเรามีสติรู้กายรู้ใจน่เรียกว่าขยันอยู่แต่มันจะมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยเลยนะนั่นแหล ะ, ะ, ะดีแล้วแต่ถ้าถ้าเผื่อจงใจจะไม่รู้เลยแล้วก็มึนตึ๊บเลยอะค่ะเอ อ, อยวไปดูนะทำงานไปค่ะทำงานไปด้วยด้วอ๋อใช้วิธีนี้ก็ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อวิธีนี้ดีที่สุดโอ้โกราบในมรรคการครูบาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงปู่มั่นเยสอนนะบอกว่าทาสมาธิมากเนิ่นช้า คิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจาวันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนั้นที่โยมทำอยู่นี้โยมทำได้ดีมากนะโอ้เป็นนักปฏิบัติที่ดีโชละเอาใครอิจฉายกมือนี่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทำไมเขาเร็วเพราะเขาทำไม่เป็นทำไมเราช้าเพราะเราชอบทำ ใจเราคิดทุกวันนะทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีงงะดคิดติดอย่างเงี้ยหาทางทำเพื่อจะเอาดีไม่ได้มุ่งเอาความจริงโยมนี้ไม่ได้มุ่งเอาดีพระทําอะไรไม่เปลี่ยนสักอย่างดุกระดิกแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกไปนะแต่เริ่มกลับไปเพ่งแล้วละ่ะอย่าไปเพ่งมันอย่างนี้เรียกว่าเพ่งไม่เอาน ะ, ะปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยปล่อยให้ธรรมดาเราต้องภาวนาให้โลกอิจฉาเลย อย่างนี้ก็มีมี ม, ม, มีมีกำลังใจค่ะหลวงพ่อแต่ฉันคิดว่ามีกาลังใจแต่อย่าไปขยันนะค่ะไม่ใช่มีกำลังใจแล้วเอาใหญ่เลยดูหามรูหามค่ำหลวงพ่อคะแล้วที่ว่าฉันรู้รู้สึกว่าเห็นทางอะ่ะมันจริงหรือเปล่าจริงจริงเลยคะหลวงพ่อจริงนะโยมาเดินะ mother, อยู่ในทางเป๊ ะ, เ, ปะเลย น้อยนะที่จะเดินอย่างนี้ทั้งๆที่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าสมาธิเป็นยังไงเพราะฉันทําไม่เป็นไม่ต้องรู้หรอกนะค่ะฉันไม่เคยรู้เลยค่ะทําทไม่เป็นนั่นแหละดีไอ้พวกทําเป็นนั่นแหละทําไม่ได้หลวงพ่อชอบมากเลยคนทําไม่เป็นอะ่ะมีแต่นักทำทั้งนั้นเลยนักปรุงนักแต่งใช้ไม่ได้อ่าให้คนอื่นบ้างภ า, านาดีแล้วปล่อยคนอื่นบ้าง อ, อนั่งข้างๆเอาซะหน่อยเบอร์เจสิบ นมัศการค่ะหลวงพ่อคือจริงๆไม่เคยถาม่ะคะาำถามเดียวเลยเหมือนทั่วไปคือภาวนาเป็นยังไงบ้าง啊ค่ะหนูภาวนาเป็นยังไงบ้างอะคะมันจะเป็นอะไรอะภาวนาแล้วถูกต้องหรือเปล่าอะคะก็ถูกเหมือนกันเลยแต่ขณะนี้จิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อก่อนตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็หลงค่ะเออหลงอยู่ใช่กดอยู่รู้สึกไหมค่ะอยากให้ความตื่นเต้นหายค่ะอย่าอยากสิ S <S <S มีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ว่าอยากตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายไปบังคับตัวเองอยู่รู้ว่าบังคับอยู่รู้ทุกสิ่งอย่างที่มันกาลังเป็นอยู่จับหลักการปฏิบัติให้แม่นๆรู้ทุกอย่างอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่โยมนั่น่ะไปบ้านอยู่ไหนเบอรอ็ดตะกี้เนี้ยบ้านอยู่ยาค่ะอ๋ออยู่ใกล้นิดเดียวเออถ้ามาฟังทำได้ก็ามานะ นั่นแหละภาวนาให้กระดูกเป็นแก้วเลยมันจะพอมีหวังจริงๆิตที่เดินอยู่อย่างนี้นะถ้าไม่นอกลู่นอกทางสนะไม่ขี้เกียจรู้เล่นๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเร็วที่สุดอ้าไมให้แกหน่อยแกลำพันธ์อะไรฟังไม่บอกฮะ ความปรารถนานี้จะไม no ่จะไม่เคยท้อถอยเลยอะค่ะเพราะถือว่าเป็นความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตเลยอะค่ะดีมากเลยเพราะตอนนี้ชีวิตมันเหลือน้อยแล้วค่ะหลวงพ่อมีมีความไม่ประมาทด้วยใครคิดว่าชีวิตยังเหลือมากยกมือซีก็ทั้งนั้นแหละอ้าวให้คนนี้บ้างของคุณว่าไงไม่เบอร์เจ็ดสิอะก็ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะความตื่นเต้นลดน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่าไม่์มันไปไง S <S อ้าส่งไปข้างหลังหน่อยทวดพลเดี๋ยวจู้นี่ยกมาตั้งแต่เม่กี้ละกาบหลวงพ่อครับเ อ, อเจอคุณพี่แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ขยาักกาส่งเลยครับ เ, เมื่อตอนตอนก่อนก่อนเ ต, ตื่นนะครับจิตมันเห็นว่ามันฟุ้งซ่านนะครับหลวงพ่อพอเมื่อเช้ามาฟังธรรมหลวงพ่อตอนช่วงเช้ารู้สึกตั้งมั่นครับพอมาช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านออกไปอีกแล้วครับหลวงพ่อ มีแต่ของเปลี่ยนแปลงครับหลวงพอ่อแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยของพี่เขาแค่เดือนเดียวของผมนี่สามปีแล้วครับหลวงพ่อผมยังรู้สึกอายพี่เลยไม่เป็นไรนะของเราทำเก่งไปของพี่เขาทำอะไรไม่เป็น <laughs> แ, ตแต่อย่างของผมนี่ถ้าเปรียบเทียบนี่ถ้าถ้าถ้ามองว่าการปฏิบัตินี่เหมือนการการการเข้ามาหาวิทยาลัยนี่ผมผมขึ้น ได้พึ่งรู้สึกว่าเพึ่งจะเอนทรารันติดใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าเอนทรารันได้ก็คือพระโสดาบันอ๋อครับหลวงพ่อพระพระโสดาบันเนี่ยชื่อว่าเสกขบุคคลเป็นนักศึกษานะของเราระดับเตรียมอุดมไม่ใช่ปถมก็มไม่ใช่ปฐมแล้วไม่ใช่ปถมแล้วนะคุณโสพลพนาดีนะพนาดีใจมันยังดิ้นรนอยู่บ้างมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามันเบาลงไปเยอะนะครับหลวงพ่อผมรู้สึกว่า เรายังเห็นความยินดีหลายได้ได้ได้ดีขึ้นครับหลวงพ่อเนี่ยมันจะดิ้นน้อยลงครับครับหลวงพ่อแล้วลูกสาวอ่ะมาไหมให้มาพรุ่งนี้ครับหลวงพ่อลูกสาวพ่อนาเก่งมากเลยนี่พ่อสปีดตามลูกสาวทันละอ๋อผมผมผมพ่งตามทันแล้ครับวันนี้บอกเพราะลูกมันไม่อยู่ทําไมเด็กมันทํำง่าย หนึ่มันทําง่ายเพราะเหมือนโยมเนี้ยไม่รู้เรื่องคนที่ไม่รู้เรื่องนะความรู้สึกใดผุดขึ้นมามันก็รู้รู้ซื่อมีคําว่ารู้ซื่อๆนะหลวงพ่อคําเขียนท่านชอบพูดรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆต่ของเรารู้ไม่ซื่อส่วนมากรู้เราดัดแปลงต้องรู้ซื่อๆนะขอพลดีมากเลยอนาดีแต่อย่าคาดหวังกับลูกสาวนะเพราะว่าพอมันโตกว่านี้บางทีมันก็ฟุ้งซ่านไปเป็นช่วงๆหรอ ตามช่วงวัยของเขาครับแต่แต่เราจะไปบังคับเขามากก็ไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อบังคับจะต่อต้านครับเราทําตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นอยู่แล้วอย่างสมมุติว่าตอนช่วงวัยรุ่นเขาอาจจะลืมไปบ้างแต่เวลาเขาไปเชิญปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยเขาจะกลับมาหาธรรมะอย่างรวดเร็วเลยเราจะได้ผลเร็วด้วยนอบคุณขอบคุณขอบคุณพ่อเอาจู้จู้ยกมือไว้ พอดีเพิอสองสามวันก่อนนะครับอาจารย์มันก็รู้สึกตัวดีแต่ว่ารู้สึกมันลอยๆยังเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าไปพลาดทำอะไรครับใ่มันไม่ตั้งมั่นจริงครับขณะนี้ก็ยังลอยอยู่ครับรู้สึกเปล่ารู้สึกนะะใจมันไม่ถึงฐานครับออกข้างนอกไปครับแล้วทําไงดีแม่งทําครับรู้พ่าจะบอกให้ตามรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้กายมันถึงจุดซึ่งแก่แล้วครับ ไม่แต่มันมันสวิตชไปเองฮะหลวงพ่อคือตอนตอนหลังเนี่ยผมเวลาไปเดินจงกรมพยายามรู้กายมันจะไม่ได้เลยมันจะตื้อขึ้นมาเลยแต่ว่าสังเกตพอตื่นเช้าปุ๊บเนี่ยมันจะไปรู้กายอยู่พักหนึ่งแล้วมันกรกลับมารู้มันจะสวิชไปมาเองถ้าเป็นไปเองนะได้แพยายามรู้สึกถึงกายอยู่เนืองเนืองรู้สึกบ่อยๆครับไม่งั้นใจมันจะลอยไปมันไม่มีกําลังดูจิตลวดเดียวนะถ้าไม่ทรงฌานไว้เลยก็ลําบากเหมือนกันก็เอากายมาช่วย อ้าวสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วเบอร์อะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะแยะนกกรรมศสกลหลวงพ่อเจ้าค่ะคือก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติดีแล้วแต่เมื่อกี้นี่รู้สึกว่าจิตจิตออกไปกระจายข้างนอกอะค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วตอนนี้ล่ะกระจายไหมตอนนี้ก็ยังกระจายอยู่กระจายอยู่ถูกต้อง <c oughs> เห็นว่าจิตกระจายอยู่ก็ยังใช้ได้เรียก <c oughs> ว่ารู้ตามความเป็นจริง ก่อนหน้านี้ที่ปฏิบัติอล้นะคะอย่างเดินไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะเดินไปแล้วก็มันจะมีสภาวะที่จิตหลงไปคิดแล้วรู้ไหมไปแล้วเจ้าคะ่ะเออ น, นะให้รู้ทัน <c oughs> ว่าไปค่ะ <c oughs> มันจะมีสภาวะที่เหมือนเหมือนมีอ่าอ่า ไ, ไป<ข>าอีกแล้วรู้สึกไห <c oughs> มเจ้าคะ่ะอคืออยากจะรู้ว่ามันมันวืดวืดนี่คือจิตหรือว่าเป็นสภาวะของกายอะคะเป็นอาการอาการ ทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ไม่สำคัญสาคัญที่ว่าเมื่อเรารู้สภาวะแล้วจิตเป็นยังไงต่างหากนะเพราะฉะนั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีในยาหรอกอะไรก็ได้นะขอบคุณเจ้าค่ะเป็นทางทางไหนล่ะต้องไปให้หมอเช็คนะบางคนวูบๆแล้วนึกว่าภาวนาดีหัวใจจะวายแล้วมันจะออกทางทางหัวนะเจ้าค่ะอ๋ออันนั้นเป็นผลของสมาธิถ้าจิตเราไปตื้อๆ อ, อยู่อย่างงี้นะ้นก็ออก แมไม่ใช่อย่างนี้ตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้นนใ่ะเอาร้อยหนึ่งแล้วก็แจวกรรบนมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อจริงจริงก็ตอนแรกว่าจะไม่ส่งและอายคนหนึ่งเดือนว่าจันญาก็ฝึกมาหนึ่งปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันไม่ใ <c oughs> ช่ไปวบบัดอย่างนั้นนะบางคนนะเจ็ดวันเขาก็ทำได้ละ7เจวันก็มีนะแบบเอาตัวรอดเลย มีพระองค์หนึ่งลูกสิทธิ์หลวงปู่ดุลภาวนาอาทิตย์เดียวเองก็เข้าใจเลยแต่เสร็จแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วทเที่ยวเที่ยวดูแต่จิตคนอื่นไม่ดูจิตตัวเองอีกต่อไปเลยตั้งแต่นั้น จันญากรบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะว่าธรรมะหลวงพ่อเนี่ยทำให้จันญาเห็นทุกทางโลกเนี่ยเป็นคราวๆแล้วก็ห่างๆแต่มันตอนนี้มันจะมีลักษณะเหมือนทุกทางธรรมอะค่ะความดิ้นรนที่อยู่ข้างในอยากดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่รู้ทันนะดีจันญาดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีข้อสงสัยนิดนึงอะค่ะ ก็คือว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยคือปัญญาขั้นตน้นจัไม่ทราบว่าความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจากขอ ง, ของจันญาเนี่ยมันเป็นปัญญาหรือเป็นความฟุ้งซ่านที่ให้ปัญญากับความฟุ้งซ่านเป็นคุณธรรมสภาวะธรรมโพละอันกันแต่ว่าจิตซึ่งมันนิ่งเลยเนี่ยนะนิ่งสงบนิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดปัญญาจิตต้องออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบไปแล้วมีสติรู้ทานมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเกิดปัญญา ดั้แต่ถ้ามันนิ่งเลยไม่มีปัญญาแต่ตรงที่มันเคลื่อนไหวไปเนี่ยถ้าขาดสติขาดความตั้งมั่นของจิตก็จะกลายเป็นความฟุง้งซ่านมันคาบเกี่ยวกันใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันแต่ก็ยังไม่เกิดแสดงว่าไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมใช่สิใช่ปัญญามันก็มีเป็นระยะระยะใช่ไหมมันไม่ได้มีตลอดเวลาหลวงพ่อคะออที่จัญญารมสมถะอาค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าใช่ได้ กลับขอพระคุณค่ะทำนะสมถาก็ไม่ทิ้งหรอกทำให้จิตมีพลังอา้าวแจ๋วยกมือใครชื่อแจ๋วมีไหมอ๋อมีอยู่หนึ่งคนกลับน้ำมนตศการ์ค่ะหลวงพอ่อมันมันมีแบบว่าช่วงเช้าเเราจะฟุ้งมากเลยค่ะฟุง้งเราก็ดูฟุง้งแล้วเริ่ม อ, น <laughs> มอินในการเล่าแล้วนะให้รู้ทนัน ตอนนี้ตื่นเต้นไงเ ต, ต้นเต้นไม่เป็นไรไม่ว่านะตื่นเต้ น, นแล้วก็พอจบบ่ายเย็นเนี่ยมันจะเฉยแบบไม่มีไม่รู้ไม่ไม่ความคิดมองไม่เห็นเลยมันมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยอืมมันเหนื่อยต้องพักนิดหน่อยนะทําสมาธิ<อ>พักผ่อนนี่ก็ได้ทําสมาธิไม่เป็นแล้วไปงีบซึ่งงีบหนึ่งก็ได้ <c oughs> ขื้นขึ้นมาแล้วสดชื่นแล้วค่อยดูเอาใหม่แล้วตอนนี้สภาวะเป็นไงกัอยากให้หลวงพ่อบอกมาก่อน <c oughs> มันรู้สึกขนลุกๆค่ะ รู้สึกซ่านขนลุกๆนั่นแหละพอเราไปเพ่งเอาไว้พอเราไปเพ่งไว้นะมันก็เกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาตอนนี้ยจิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมจิตหนีไปคิดก่อนใช่ไหมแล้วก็เกิดความอยากพูดพุทธขึ้นมากลางอกเห็นไหมให้รู้ทันอย่างนั้นแหละเออเวลานั่งสมาธิมันนั่งแล้วพุทโธวุทโธแล้วรู้สึกมันมันรวมเราพุทโธให้ดูซิแต่อย่างนั้นพุทโธได้สมถะ จิตก็รวมนะลองพัฒนาพุทโธอีกชนิดหนึ่งพุทโธแล้วรู้สึกตัวไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแค่เราฝึกอย่างนั้นดูบ้างค่ะแล้วพุทโธแบบไวๆพุทโธไวๆนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านมากๆให้พุทโธไวๆถ้าจิตสงบแล้วไม่ต้องพุทโธไวเหนื่อยเปล่าอ๋อค่ะมีจิ๋วอีกคนละมีแจ๋วยังมีจิ๋วอีก กลับนมัส ก, การค่ะคือก็เห็นจิตเนียแอบหนีไปคิดบ่อยๆแต่ก็มีอาจารย์ท่านนึงบอกว่าเราไปหลงติดกับความคิดในแต่ละความคิดนะคะซึ่งตรงนี้ดูไม่ออกนะคะรู้เท่าที่รู้ได้น ะ, ะอาจารย์บอกก็คอยสังเกตเอาค่ะอย่างตอนนี้จิตเข้าไปเกาะอารมณ์แล้วรู้สึกไหมไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกก็รู้สึกกายไป เนี่ยไปยั่งหน้ารู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละรู้กายไปไม่ต้องไปดูอย่างคนอื่นเ้าหรอกทางใครทางมันดูกายบ่อยๆนะค่ะสี่สบห้าคือลืมเนื้อลืมตัวไปบ่อยอะค่ะแล้วก็ฟุ้งแล้วก็เข้าไปอยู่ในความคิดเข้าไปปรุงแต่งอะค่ะแล้วก็จิตไม่ถึงฐานเออรู้ไปอย่างที่เขาเป็นน ะ, ะรู้ไปอย่างเป็นกลางไม่ต้องไปอยากให้มันดีหรอกแต่รู้สึกว่าแบบอยากดีอะค่ะ อย่างนี้ก็ทุกสิควรจะมะีเครื่องอยู่อะไรดีอะคะหลวงพ่อดูไป น, นะดูอยู่เป็นแล้วเพียงแต่ใจเราเป็นขี้มโมโหอันั้นก็มโมโหอันนี้ก็มโมโหนะมันไม่พอใจสภาวะให้รู้ทันว่ามันไม่พอใจค่ะหลวงพ่อคะคือแต่ละวันเนี่ยในชีวิตประจําวันนะคะคือตอนทํางานเนี่ยจะต้องเหมือนเล่นละครใส่หน้ากากใส่หัวหเป็น ลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นนางฟ้าเล่นสิเล่นไปเ ล, นเล่นให้<ม>เป็นค่ ะ, ะแล้วก็จะเก็บตรงนั้นนะเข้ามาเหมือนกับมาคิดอยู่ตลอดเวลา<อ>ลืมมันไปซะเอาปัจจุบันไว้ถึงเวลาเล่นี็ต้องเล่นนะอยู่กับโลกก็ต้องเล่นกับโลก<ข>อ่ะไปส่งแปงข้างหลังเบอร์สามสิบนมรสการหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกว่ามันข้างในมันไม่รู้จักพอคือเหมือนมันหาอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วเหมือนมันหาไม่เจอให้รู้ว่ามันดิ้นอยู่ค่ะ แล้วก็รู้สึกไม่ชอบมันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองสมาธิน่าจะน้อยเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนแบบดูไม่เป็นเลยอย่างนี้ยเวลารู้สึกว่าดูไม่เป็นรู้ว่าดูไม่เป็นอันนั้นก็ดูเป็นเรียบร้อยแล้ว อ, อ๋อแล้วหนูควรจะปฏิบัติในรูปแบบอย่างคนอื่นบั้งไหมคะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยลองไปเดินสินะกระดุกกดิกไ้ลองเดินใช่ไหมคะเคลื่อนไหวเบอร์สิบเอดยกมือ ถามนักการหลวงพ่อค่ะดิฉันได้ฟังซีดีมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีโอกาสมาที่นี่นี่เป็นครั้งที่สมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าดิฉันปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องไหมคะปฏิบัติดีอยู่น ะ, ะเพียงแต่ว่าคอยรู้กิเลสทั้งหลายนะเวลากิเลสมารู้ไวไหมบางครั้งเจ้าค่ะ อ, อถ้าตอนไหนรู้ทันกิเลสได้ตอนนั้นก็ดีนะตอนไหนกิเลสมาแล้วมองไม่เห็นเลยก็ไม่ดีท่านั้น เวลาเราภาวนาเนี่ยมันไม่ดีตลอดเวลาหรอกมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมต้องทําใจนะเป็นอย่างนั้นทุกคนบางวันสติเกิดบ่อยรู้ทันกิเลสบ่อยบางวันสติไม่ยอมเกิดเลยเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ทีนี้บางวันนี้ฉันเจะง่วงมากๆเลยเจ้าค่ะคือเวลาจะทําอะไรง่วงง่ว ง, ง, ง, งแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะบางทีสวดมอนต์อยู่นี่จิตก็แวบออก ทั้งๆที่สวดทุกเช้าทุกเย็นก็แวบออกทุกเช้าทุกเย็นดีแล้วค่ะนะแต่เดิมมันก็แวบออกแต่เราไม่เคยเห็นทีนี้พอเวลากลางวันในช่วงประมาณบ่ายนี่จะง่วงมากๆเลยนอนซะไหนนอนแล้วก็บางทีนี้ประมาณสักบ่ายสองหรือบ่ายสามจะได้ยินเสียงพระสวดคะเออดีแล้วจะได้ลุกขึ้นมาลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะนอนนอนฉับๆตัวเองไปนะคะเนี่ยนอนจับตัวเองเนี้ย นอนอนวดตัวเองไปแล้วรู้สึกตัวไว้บางทีลุกขึ้นได้แล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านว่าบ้านใครสวดมนต์บ้างอย่าไปสนใจถ้าใจรู้ใจอยากใจมันสงสัยว่าใครสวดมนต์นะรู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปดูนะแต่ได้ยินนอนหลับอยู่เนี้ยได้ยินแล้วก็พยายามจะลืมตาเลยพยายามนนรู้สึกร่างกายไปน ะ, ะสมมติว่าเรายังนอนเรายังเหนื่อยนะก็สัมผัสร่างกายเล่นนวดตัวเองเล่นนวดแขนนวดอะไรเงี้ยสัมผัสไปเรื่อยๆรู้สึก รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยทีนี้อย่างฉันก็ยังปฏิบัติอะไรยังไม่ได้นะเจ้าค่ะยังแต่ว่าเคยไปอยู่วัดก็จริงแต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยแหละหารรู้สึกกายรู้สึกใจไปทอนี้เวลากราบพระเนี่ยจะมองเห็นเป็นรูปพระสงฆ์อันนี้หมายความว่าเห็นอะไรนะเป็นรูปพระสงฆ์เจ้าค่ะให้รู้ว่าจิตเราปรุงขึ้นมา<อ>นไม่ว่าจะลืมตาข้างไหนไปทางไหนก็ลอยติดอยู่กําแพงเอน ะ, นะให้รู้ไปว่าจิตเราปรุงขึ้นมาเป็นนิมิต ไม่สนใจได้ไม่สนใจเจ้าค่ะไม่สนใจนะแค่ของจริงในกายในใจก็ดูไม่ทันแล้วไม่ต้องดูนิมิตเจ้าค่ะอ า, าต่อไปเชิญยกมือข่าวระคุณค่ะอ่าน น, น, านั่นแหละครับนมัสการครับผมเห็นความคิดกับความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับดีสิมันทุกๆ ก, การกับกริยาหนึ่งขยับก็เห็นความอยากผุดขึ้นมาหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ดีก็กายก็ขยับเพราะงั้นคุณเอา ตัวโลภะนี่แหละมาเป็นวิหารธรรมตัวองค์พระแหละตัวโลภะโลภะความอยากความโลภนั่นแหละนะไม่เอาองค์พระนะครับแล้วผมมีสภาวะหนึ่งที่ที่เห็นก็ตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นเหมือนกับที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยรู้สึกโล่งไปหมดเลยแล้วบอกอย่างนี้ใช่ที่หลวงพ่อท่านว่าเอ่อตอนหน้าต่อตาหรือเปล่าฮะใช่เราก็รู้สึกขึ้นมาไงโลกนี้ว่างเปล่านะ แต่ไม่จงใจน้อมเข้าไปตรงนี้นะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมันหน้าที่เราทําเหตุไปเรื่อยๆคือรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆต่อไปเราเห็นโลกนี้ว่างเปล่าโลกไม่มีอะไรหรอกครับเมื่อเช้าฟังธรรมของหลวงพ่อถ้ารู้สึกไหมตอนเนี้ยตัวปลอมกับทําให้ดูเรียบร้อยนุ่มนวลหลอหลอกว่าความจริงดูออกไหมอันนี้เป็นพื้นเลยครับประคองไว้เป็นพื้นเลยเออนะเนี่ยลดออกมาละเห็นไหมครับถ้าถ้าผม เรื่องอธิษฐานจิตนะครับหลวงพ่อถ้าอธิษฐานไว้เหนือกว่าอรหันตภูมิเป็นอัครสาวกหรือสาวกใกล้ชิดนี้ก็ต้อง บ, บำเพ็ญบรารมีถามไปเลยใช่ไหมครับต้องทอีกสิทาไปเรื่อยๆครับอยากเป็นอัครสาวกฝ่ายไหนล่ะพุทธอุปถากครับอ้าวอุปถากไม่ใช่อัครสาวกครั บ, รบก็หมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นชุดที่ที่จะตาม พุทธภูมิก็ต้องบำเพ็ญบารมีตามอายุไปเลยใช่ไหมครับใช่ทำบารมีไปนะครับก็โอกาสที่จะบรรลุธรรมนะเร็วๆใกล้ๆก็ยังไม่มีมใช่ไหมครับไม่มีนะไม่มีครับแต่ต้องทำไปไม่เลิกนะไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสมัครไม่เป็นอุปถาครับ แต่ก็ทําได้อยู่ใช่ไหมครับ ถ, ถ้าตัวเองรู้สึกว่าอยู่ได้อย่างนี้เป็นสภาวะที่อยู่ได้เรื่อยๆไหมต้องตั้งใจเด็ดเดียวนะการทำคุณงามความดีทั้งหลายสํารวจตัวเองทุกวันกูศลใดยังไม่ได้ละละซะกูศลใดยังไม่ได้เจริญเจริญซะนะเมื่ออยากได้ของที่ใหญ่เหนือกว่าคนทั่วๆไปก็ต้องภาคเปลี่ยนมากหน่อยครนะอย่าให้กิเลสลากเข้าไปก่อนก็แล้วกันอป็นหมต เราต้องดูหน้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนท่านจะรับสมัครอา46ครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็จะเห็นตัวตาที่จิตกะปุุงขึ้นมาครับดีแล้วก็จะเห็นความโลภครับอยากได้อยากเป็นอยากรู้อะฮะก่อนหน้านี้สักช่วงเดือนก่อนจะเห็นคนไม่เป็นคนครับคือยืนคุยลูกค้าอยู่แล้วปรากฏว่ามันเหมือนมันเจ้าไปไม่มีชื่อเรียก ไม่มีไม่มีตัวไม่มีต้นนะครับอันนั้นบางทีเป็นสมาธิก็ได้นะ อ, อะเป็นผลของสมาธิก็ได้เราไปเพ่งเพ่งขึ้นมาบางทีเราเบื่อหน้าลูกค้าเต็มทีแล้วจริงก็จ้าขึ้นมาเฉยๆ <c oughs> ตอนนั้นเบื่อลูกค้าปะครับเพราะหลังจากนั้นก็เลยไปไปติดไปเปรียบเทียบก็เลยคลิดว่าฟุ้งซ่านไปพักหนึ่งครับเกิดความโลภขึ้นมาอะไม่ใช่นะอันนั้นเป็นผลของสมาธินะไม่ไม่ใช่เกิดมรรคผลไม่ได้เป็นปัญญาอะไรหรอก พอเราเบื่อไอ้ลูกค้าคนนี้เต็มทีแล้วจิตมันก็หลบออกไปมันเจ้าออกไปเฉยๆเห็นคนไม่ใช่คนโดยเฉพาะไอ้ลูกค้าคนนี้ครับก็ตอนนี้ก็เห็นสวะต่างๆผ่านมาผ่านไปดีนะของคุณดีขึ้นเยอะละเบื่อ99 99กับเรียนหลวงพ่อค่ะคือหนูมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกการปฏิบัติธรรมวิปัสสนานี้เบื้องต้น ควรจะทายัางไงอะคะเมื่อต้นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนเพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนั้นเราจะรู้กายรู้ใจได้ต้องไม่ลืมกายลืมใจค่อยรู้สึกกายค่อยรู้สึกใจแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะควรส่วนมากไม่ค่อยรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าไม่เผลอไปคิดก็มาเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้นิ่งๆของคุณพร้อมที่จะเพ่งน ะ, ะมันพร้อมที่จะเพ่ง คือบางทีก็ลืมตัวไปไปบ่อยมากเลยอะคะอ่ะนี่พอรู้ขึ้นมาก็จะมาเพ่งให้นิ่งๆไว้กลัวจะหลงนะ อ, อย่าไปทําอย่างนั้นคแค่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้บ่อยๆนะอย่าตอนนี้ใจลอยไปคิดซ้ำไหมใช่ค่ะใจไหลไปคิดรู้ว่าใจไหลไปคิดนะไปอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะอ่เนี่ยก็แค่รู้สึกไปอย่างนี้เห็นไหมใจมันไหลไปคิดได้เอง นั่งดูมันทำงานไปนะเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานมันทำของมันเองรู้สึกไหมจิตใจเมื่อกี้ตื่นขึ้นมาวับหนึ่งรู้สึกค่ะนั่นแหละมันตื่นขึ้นได้วับหนึ่งนะที่เนี่ยขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออรู้สึกไปรู้สึกแล้วก็ทำต่อหรือห้านาทีเอ้าใครจะยกมือเชิญเอ้าเอ้าผู้หญิงนีดก่อนเออนั่นแหละคุณนวสกาหลวงพ่อค่ะ ที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะต้องแก้ไขอะไรไหมคะโอ้เอางั้นเลยเหรอใจถึงเปล่าอยากรู้จริงๆไหมอยากรู้ค่ะใจมีโมหะรู้สึกไหมมัวมัวมนะดินด้นด<จ>ิ้นด้วยะคะ่ะเออใจมันฟุ้งซ่านนั่นแหละนะ ม, มันดิน้นต้องแก้ไขอะไรไหมคะต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะให้รู้สิพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูกราภิกสูทั้งหลายเมื่อจิตมีโมหให้รู้ว่ามีโมห นะไม่ทําอะไรมากกว่ารู้หรอกพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ตามความเป็นจริงอย่าตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมไปแวบๆก่ะเออมันไปแวบๆแบบคอยรู้แวบๆไปนะของคุณจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นมันฟุ้งซ่าน ง, ง่ายนะเพราะฉะนันทางที่ดีนะหัดบริกรรมไว้บ้างพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยนะพุทโธพุทโธเล่นๆ น, นะไม่ใช่พุทโธให้สงบ<ะ>แต่พุทโธเป็นแบ็กกราวแล้วก็ค่อยรู้จิตไปเรื่อยๆ พุโทโธเล่นๆนะพุโทโธพุธโทโธอย่างเงี้ยเล่นๆไม่ใช่พุโทโธพุธโทโธอย่างนี้อเอาไปข้างหลังคครับพุโทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยอถ้าไม่ชอบพุโทโธก็สวดมนต์ไปแล้วก็รู้ทันจิตไปไม่ทาอีกทําอย่างที่ทําอยู่นะถูกแล้วไม่ทําอะไรพี่ลึกพี่ล่านออกไปนะน้นำมศการหลวงพ่อครับผมผมมาเรียนกับหลวงพ่อนี่เกือบปีแล้วครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็น ก็คือรู้สึกใจมันโปร่งโล่งทั้ทั้งที่เห็นว่ามันมันเป็นทุกข์นะครับเวลาผมต้องแล้วบางครั้งตอนนอนเนี่ยผมก็รู้ว่ามันมันคิดนะครับอ่าดีมากทีนี้ผมไปส่งการบ้านที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเห็นเวลาผมรู้เนี่ยนะครับมันชอบมันจะคิดต่อแยกแยกว่าเป็นเป็นสัญญาเป็นเวทนาเลยครับให้ให้เรารู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วครับน แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ทําสมาธามาประมาณสองเดือนเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านมากๆเลยครับแต่แต่ก็ทราบนะว่ามันฟุ้งซ่านอแล้วมันก็จะมีที่มันเห็นลึกๆอย่างอันก็คือเห็นมันมีมีคล้ายๆมานะนะครับอืมันจะเห็นใครแล้วมชอบเปรียบเทียบอืทุกเรื่องเลยครับแล้วก็ดีนะดีแล้วก็นะวกมีรู้สึกมันมีกุกุจะครับมันยังไม่ได้ปฏิบัติ ม, มันก็รู้สึกว่ายัางบางครั้งมันมันหลงไปเผลอไปนานมไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวอยของโยมตอนนี้กลับมาทําสมถะได้บ้างละมันจะไม่เพ่งอย่างเดิมครับนะเพราะมันรู้ว่าสภาวะของการเพ่งเป็นยังไงของโยมพอทิ้งสมถะไปนานเนี้ยกําลังของจิตจะเริ่มอ่อนลงนะแต่ว่าอย่าเพ่งนะอย่ากลับไปเพ่งทําเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งคราวไม่ทํามากทําพักผ่อนทําทุกวันห้านาที10นาทีอะไรเงรี้ยให้ได้พัก แล้วมีอีกนิดะครับแล้วมันมีเรื่องก็คือว่ามันจะชอบทำผิดนะทั้งที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าอย่าไปเพ่งกายมันก็ ม, มันก็ต้องไปทำให้เรารู้ทันว่าจิตเป็นของห้ามไม่ได้นะดูไปเลยจิตมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูบังคับไม่ได้ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะโยมทั้งหลายภาคเพียรเข้าเส้นทางนี้มันไม่ยืดไปไหนหรอกเส้นทางนี้มันก็มีเท่านี้แหละอยู่ดีว่าใครทาก็ได้นะ ต้องเดินด้วยตัวเองภักเพียนเอานะเอาชีวิตนี้ไหนไหนก็เกิดมาได้เจอศาสนาพุทธแล้วต้องภาคเพียนเอาอย่าให้เสียเปล่าเปล่าเราจะพิสูจน์ความก้าวหน้าของตัวเองด้วยตัวเองได้ความทุกข์ในชีวิตจะสั้นลงสั้นลงนะความทุกข์จะเบาลงเบาลงเผลอก็สั้นลงนะแต่เผลอบ่อยๆเผลอแวบรู้สึกแวบรู้สึกกิเลสใดๆเกิดขึ้นสติปัญญามันจะทํางานของมันเอง ความทุกข์ในชีวิตมันจะลดลงเรื่อยๆมันเหมือนโลกอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆแต่ใจเราก็อยู่กับโลกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยกระทบกันคนอื่นเขาเป็นทุกข์ปางตายแล้วเราผู้ปฏิบัติยังไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกนะภาคเพียรเอานะให้กำลังใจนะขอให้ช่วยตัวเองมากๆนะได้เข้าใจธรรมะในชีวิตนี้โอกาสที่หลายคนจะทาได้ในชีวิตนี้มีแล้วนะตอนนี้ ถ้าเทียบไปพวกเราตอนนี้พอนายเก่งไปหลวงพ่อตอนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลเดือนแรกอีกพนะักเพียนเข้าเอาเชิญกลับบ้าน